มัตสีบั พ, พะวันนาก็ในเมื่อพระเวสสันดนรรอดชุลีทรงบริจาคปิยบุตรมหาทานแก่พรามเกิดมหาสจรรั์มหาปัตถีบัลือลั่นกลาหนเป็นอันเดียวกันตลอดถึงพรหมโลกมูเทวดาที่อยู่ณหิมวันตะประเทศเป็นประหนึ่งมีหะไทยจะแตกทำลาย ด้วยเหตุอันได้ยินเสียงพิลาบรำพันนั้นแห่งพระชาลีราชกุมารและพระกัญหาชินาราชกุมารีที่ชูชกพราหมณ์นําไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางมัสีเสด็จมาสู่อาสมสถานแต่วันพระนางไม่เห็นพระโอรสธิดาในอาสมนั้นทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระราชทานแก่พราหมณชูชกไปแล้ว พึงเสด็จแล่นตามไปด้วยความสเสน่หาเป็นกำลังก็จะพึงเสวยทุกใหญ่ลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นจึงบังคับสั่งเทพบุตรสามองค์ว่าท่านทั้งสามจงจำแลงกายเป็นราชสีเป็นเสือโครงเป็นเสือเหลืองกั้นทางเสด็จพระนางมัสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์อัสดงคต พึงจัดอารักขาให้ดีเพื่อไม่ให้ราชสีเป็นต้นเบียดเบียนพระนางได้จนกว่าได้เสด็จเข้าอาสมด้วยแสงจันทร์พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเทวดาเหล่านั้นได้ฟังสองพระกุมารทรงพิลาบร่ำรำพันแล้วจึงได้กล่าวกับเทพพระบุตรทั้งสามว่า ท่านทั้งสมจงแปลงเพศเป็นสัตว์ดุร้ายในป่าคือเป็นราชสีหนึ่งเสือโคร่งหนึ่งเสือเหลืองหนึ่งอย่าให้พระราชบุตรีของพวกเราเสด็จกลับจากการแสวงหามูลพลาหารในเวลาเย็นได้ท่านทั้งหลายอย่าให้สัตว์ร้ายในป่าอันเป็นเขตแดนของพวกเราเบียดเบียนพระราชบุตรีได้ท้าราชสีเสือโคร่งและเสือเหลือง พึงเบียดเบียนพระนางผู้ทรงสุภลักษณ์พระชาลีกุมารก็ไม่พึงมีพระชนพระกันหาชินากุมารีจะพึงมีพระชนแต่ที่ไหนพระนางผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณาจะพึงเสื่องจากส่วนทั้งสองคือพระพัสดาและพระลูกรักเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกระทําอารักขาให้ดีบรรดาคําเหล่านั้นคําว่า จึงได้กล่าวอีทางวจนะมัพพระวงศ์ความว่าเทวดาเหล่านั้นได้กล่าวคำนี้กับเทพบุตบุทั้งสามว่าท่านทั้งหลายคือทั้งสามองค์จงแปลงเป็นพาละมะลึกในป่าสามชนิดอย่างนี้คือราชสีหนึ่งเสือโคร่งหนึ่งเสือเหลืองหนึ่งด้วยคำว่ายาของพวกเรามาเหวะโน เทวดาทั้งหลายกล่าวว่าพระนางมัซีราชบุตรียาเสด็จกลับมาจากการสาอแสวงหาผลาผลแต่เย็นเลยจงเสด็จมาจนค่ำอาศัยแสงเดือนด้วยคำว่ายาอันเป็นเขตแดนของพวกเรามาเหวำหากังนิโพโคเคเทวดาทั้งหลายกล่าวว่าพารมลึกไรๆในป่าอันเป็นเขตแดน คือเป็นแว่นแคว้นของพวกเราอย่าได้เบียดเบียนพระนางเจ้าในป่าชักของพวกเราเลยพวกท่านจงอารักขาพระนางมัศีโดยประการที่สัตว์ร้ายทั้งหลายเบียดเบียนไม่ได้คำว่าท้าราชสีพระนางศีโหเจนังความว่าก็ท่าสัตว์ร้ายไ ร, ไรในบรรดาราชสีเป็นต้นพึงเบียดเบียนพระนางมัศี ซึ่งไม่มีการระวังรักษาครั้นเมื่อพระนางมาสีถึงชีพิตักใสพระชาลีราชกุมารจะไม่พึงมีพระชนอยู่พระกันหาชินาราชกุมารีจะพึงมีพระชนอยู่แต่ไหนพระนางเจ้าพูดถึงพร้อมด้วยลักษณะนั้นจะพึงเสื่อมจากพระปิยบุตรทั้งสองทีเดียวคำว่าพระพัสดาและพระลูกรักปฏิบุตเตจ ความว่าพระนางเจ้ามัทสีจะพึงเสื่อมจากส่วนทั้งสองเพราะฉะนั้นท่านทั้งสามจงจัดอารักขาให้ดีครั้งนั้นเทพบุตบทั้งสามรับคำของเทวดาเหล่านั้นว่าสาธุต่างจาแรงกายเป็นราชสีเสือโครงเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันอยู่ในมัคคาที่พระนางเจ้ามัทสีเสด็จมา ฝ่ายพระนางมัซีหวันพระหารุไทยว่าวันนี้เราฝันร้ายจากหามูลพลาผลในป่ากลับอาสมแต่วันก็ทรงพิจารณาหามูลพลาผลทั้งหลายลำดับนั้นเกิดรางร้ายเสียมหลุดจากพระหัตของพระนางเจ้ากระเช้าก็หลุดจากพระอังสาพระเนตรเบื้องขวาก็ขมิลปรึกษาชาติที่มีผลก็เป็นเหมือนไม่มีผล พรึกษาชาติที่ไม่เคยมีผลก็ปรากฏเป็นราวกับ ว, ว่ามีผลทิศ ท, ทั้งปวงก็ไม่ปรากฏพระนางเจ้ามาัซีทรงพิจารณาว่านี่เป็นอย่างไรเนอะไม่เคยมีมาแต่ก่อนก็มามีในวันนี้เหตุการณ์อะไรจะมีแก่เราแก่ลูกทั้งสองของเราหรือแก่พระเวสสันดรราชสวามีกระมังแล้วตรัสว่า เสียมของเราหล่นแล้วและตาเบื้องขวาของเราก็ขมเ่นอยู่ริกริกต้นไม้ทั้งหลายที่เคยมีผลก็กลายเป็นไม่มีผลทิศทั้งปวงเราก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงเมื่อเรากลับบายหน้ามาสู่อาสมในเวลายเย็นเมื่อพระอาทิตย์จะอัสดงคดสามสัตว์ ร, ร้ายก็ปรากฏยืนขวางทางพระอาทิตย์ก็คล้อยลงต่า และอาสมก็ยังอยู่ไกลหนอก็มูลพลาผลอันใดที่เราจะนำไปแต่ป่านี้เพื่อพระเวสสันดรและลูกน้อยทั้งสองเขาเหล่านั้นพึงเสวยมูลพลาผลนั้นโภชนะอื่นไม่มีพระจอมกษัตริย์นั้นจะประทับอยู่ในบรรณศาลาพระองค์เดียวคงทรงปลอบประโลมให้ลูกน้อยทั้งสองผู้กระหายหิวให้ยินดี คอยทอดพระเนตรดูเราผู้ยังมาไม่ถึงเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้ในเวลาเย็นอันเป็นเวลาดื่มน้ำนมจะคอยดื่มน้ำน ม, ด, re, ด, มนำนนดังลูกเนื้อที่คอยดื่มนมฉนั้นเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้ในเวลาเย็นอันเป็นเวลาดื่มน้ำก็จะคอยดื่มน้ำ ดังลูกเนื้อกระหายคอยดื่มน้ำฉะนั้นเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้จะยืนคอยต้อนรับเราเสมือนหนึ่งลูกโคอ่อนคอยชะเง้หาแม่ฉะนั้นเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้คงจะยืนคอยต้อนรับเรา เสมือนหนึ่งหงซึ่งตกอยู่ในเปลือกตมฉะนั้นเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพรายากไร้คงจะยืนคอยต้อนรับเราอยู่ในที่ใกล้ๆอาสมเป็นแน่แท้หนทางที่จะไปก็มีอยู่ทางเดียวทั้งเป็นทางเดินไปได้คนเดียวโดยข้างหนึ่งมีสะอีกข้างหนึ่งมีบึง เราไม่เห็นทางอื่นซึ่งเป็นทางไปยังอาสมได้ข้าแต่พยามฤรคราชผู้มีกําลังมากในป่าใหญ่ดิฉันขอนอบน้อมต่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องของดิฉันโดยธรรมดิฉันขออ้อนวอนขอท่านทั้งหลายจงให้หนทางแก่ดิฉันเถิดดิฉันเป็นภรรยาของพระราชบุตรผู้มีสิริผู้ถูกขับไล่จากสีพีรัต ดิฉันมิได้ดูหมินพระราชสวามีพระองค์นั้นเลยเหมือนดั่งนางศีดาคอยอนุวัตตามพระรามราชสวามีฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ดิฉันแล้วกลับไปพบลูกน้อยของท่านในเวลาออกหาอาหารในเวลาเย็นส่วนดิฉันก็จะพึงได้กลับไปพบลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินา อันหนึ่งมูลมันผลไม้นี้ก็มีอยู่มากและที่เป็นพักษาก็มีไม่น้อยดิฉันขอแบ่งให้ท่านทั้งหลายกึ่งหนึ่งดิฉันอ้อนวอนแล้วขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ดิฉันเถิดพระมารดาของเราทั้งหลายเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของเราทั้งหลายก็เป็นพระราชบุตร ท่านทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นพี่น้องของดิฉันโดยธรรมดิชันอ้อนวอนแล้วขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ดิชันเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเมื่อเราตัดสาได้แก่เมื่อเร า, า, เเานั้นคำว่ากลับบายหน้ามาสู่อาสมอสมาคมันังปติได้แก่กลับมามุ่งต่ออาสม คำว่าก็ปรากฏยืนขวางอุปัฏฐหุงได้แก่ปรากฏตัวขึ้นเล่ากันมาว่าสามสัตว์เหล่านั้นนอนเรียงกันอยู่ก่อนเวลาพระนางมสีเสด็จมาจึงลุกขึ้นบิดตัวแล้วกั้นมักคายืนขวางเรียงกันอยู่คำว่าก็มูลพลาผลอันใดเพื่อพระเวสสันดรและลูกน้อยทั้งสอง ยันจะเนสังความว่าชนทั้งสามเหล่านั้นคือพระเวสสันดรและลูกน้อยทั้งสองพึงบริโภคมูลพลาผลที่ข้าพเจ้านาไปแต่ป่านี้เพื่อเขาโคชนาหารอย่างอื่นไม่มีแก่เขาเหล่านั้นคาว่าผู้ยังมาไม่ถึงอนายติงความว่าพระเวสสันดรทราบว่าข้าพเจ้ายังไม่กลับมา พระองค์เดียวนั่นแหละประทับนั่งปลอบโยนเด็กทั้งสองแน่ๆคำว่าอันเป็นเวลาดื่มน้ำนมสังเวสนากาเลได้แก่ในเวลาที่ตนให้กินอาหารให้ดื่มน้ำในวันอื่นๆด้วยคำว่าดังลูกเนื้อที่คอยดื่มนมฉะนั้นขีรังปีตาวะพระนางมัซีตรัดว่า ลูกน้อยมฤคีที่ยังไม่อดนมร้องหิวนมเมื่อไม่ได้นมก็ร้องจนหลับไปชันใดลูกน้อยทั้งสองของข้าร้องไห้อยากพลาผลเมื่อไม่ได้พลาผลก็จกร้องไห้จนหลับไปชันนั้นคำว่าดังลูกเนื้อกระหายคอยดื่มน้ำฉนั้นวาริงปีตาวะพึงเห็นเนื้อความโดยในนี้ว่า ลูกน้อยมารึกมีความกระหายร้องหิวน้ำเมื่อไม่ได้น้ำก็ร้องคร่ำครวญจนหลับไปฉันใดในอาสมบทลูกน้อยของเราก็จะเป็นฉันนั้นคำว่าจะคอยอัจฉเรได้แก่จะคอยอยู่ข้อว่าจะยืนคอยต้อนรับเราปัจจุคตามังติดทันติ ได้แก่ยืนคอยรับเราปาถะว่าปัจจุคตุงก็มีความว่าต้อนรับคําว่าหนทางที่จะไปก็มีอยู่ทางเดียวเอกายโนได้แก่เป็นที่ไปแห่งคนผู้เดียวเท่านั้นคือเป็นทางเดินได้เฉพาะคนเดียวคําว่าทั้งเป็นทางเดินไปได้คนเดียวเอกปัโธ ความว่าทางนั้นเฉพาะคนเดียวเท่านั้นเคียงกันไม่ได้คือไม่อาจแม้จะก้าวลงไปได้เพราะเหตุไรเพราะมีสะและบ่อลึกอยู่ข้างทางคำว่าขอนอบน้อมนามัตถุความว่าพระนางมัตสีนั้นทอดพระเนตรไม่เห็นทางอื่นคิดว่าเราจะอ้อนวอนสามสัตว์เหล่านี้ให้ช่วยเรากลับไปได้ จึงลดกระเช้าผลไม้ลงจากพระอังศาประคองอัญชลีนมัสการกล่าวอย่างนี้คำว่าพี่น้องพาตโรความว่าก็พวกเราเป็นลูกของเจ้ามนุษย์แม้พวกท่านก็เป็นลูกของพญามรึกดังนั้นพวกท่านจึงเป็นพี่น้องโดยธรรมของข้าพเจ้าคำว่าผู้ถูกขับไล่อวรุทธัตตะ ได้แก่ถูกเนระเทศจากแว่นแคว้นด้วยข้อว่าเหมือนดังนางศีดาคอยอนุวัตตามพระรามราชสวามีฉะนั้นรามังสีตาวนุกพรตาพระนางมัศีกล่าววา่าพระเทวีสีดาผู้พระกนิษฐาของพระรามเป็นพระอัครมเหสีของพระรามนั่นเองเป็นผู้อนุวัตตามพระรามคือ เคารพยำเกรงพระรามผู้สวามีเหมือนเทวดาเป็นผู้ไม่ประมาทบำรุงบำเรอพระรามราชโอรสของพระเจ้าทศรถมหาราชฉันใดแม้ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ไม่ประมาทบำรุงบำเรอพระเวสสันดรฉันนั้นด้วยคำว่าท่านทั้งหลายตุมเหจะพระนางมาศีอ้อนวอนว่า ขอท่านทั้งหลายจงให้มักคาแก่เราแล้วไปพบลูกๆของท่านในเวลากินอาหารเย็นส่วนข้าพเจ้าก็จะพบลูกๆของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงให้มักคาเถิดครั้งนั้นเทพบุตรที่จำแรงเป็นสามสัตว์เหล่านั้นและดูเวลาก็รู้ว่าบัดนี้เป็นเวลาที่จะให้มักคาแก่พระนางแล้วจึงลุกขึ้นหลีกไป พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าถวยเทพทั้งหลายผู้แปลงกายเป็นพาลมรึกได้ฟังพระวาจาอันไพเราะน่ากรุณาเป็นอันมากของพระนางผู้รำพันวิงวอนอยู่ได้พากันหลีกจากทางไปบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอันไพเราะเนละปะติงได้แก่ วาจาอ่อนหวานสละสลวยไม่มีโทษคือปราศจากโทษเมื่อพาละมลึกทั้งสามหลีกไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีก็เสด็จไปถึงอาสมก็ในการนั้นเป็นวันมีอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นพระลูกรักทั้งสองซึ่งเคยเห็นในที่นั้นๆจึงตรัสว่า พระลูกน้อยทั้งสองพระองค์ขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนต้อนรับแม่อยู่ที่ตรงนี้ดังหนึ่งลูกโคอ่อนยืนคอยชะแงะหาแม่ฉะนั้นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นเคยยืนต้อนรับแม่อยู่ตรงนี้เหมือนดังหงติดอยู่ในเปลือกตมฉะนั้นพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่น เคยยืนต้อนรับแม่อยู่ใกล้ๆอาสมที่ตรงนี้พระลูกน้อยทั้งสองเคยร่าเริงหันษาวิ่งมาต้อนรับแม่ราวกับจะทำให้หัยของแม่วันไหวเหมือนลูกเนื้อเห็นแม่แล้วยกหูชูคอวิ่งเข้าไปหาแม่ร่าเริงหันษาวิ่งไปมารอบๆฉะนั้นวันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสอง คือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินานั้นเหมือนอย่างเคยแม่และลูกน้อยทั้งสองไว้ออกไปหาผ ล, ลไม้ดังแม่แพะและแม่เนื้อละลูกน้อยน้อยไปหากินดังปักษีละทิ้งลูกน้อยไปจากรังหรือดังนางราชสีผู้ต้องการอาหารละลูกน้อยไว้ออกไปหากินฉะนั้น วันนี้แม่ไม่เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาเหมือนอย่างเคยนี้เป็นรอยเท้าวิ่งไปมาของพระลูกน้อยทั้งสองดุดรอยเท้าของช้างทั้งหลายที่เชิงเขานี่กองทรายที่ลูกน้อยทั้งสองมากองเล่นเรียรายอยู่ณนะที่ใกล้ๆอาสมวันนี้แม่ไม่เห็นลูกน้อยทั้งสอง คือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมด้วยสายและฝุ่นวิ่งเข้ามาล้อมแม่อยู่รอบข้างแม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้นเมื่อก่อนพระลูกน้อยทั้งสองเคยต้อนรับแม่ผู้กลับมาแต่ไกลจากป่าวันนี้แม่ไม่เห็นลูกน้อยทั้งสอง คือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยวันก่อนๆพระลูกน้อยทั้งสองคอยแลดูแม่อยู่แต่ไกลเหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อสายคอยชะแงหาแม่ฉะนั้นแม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้นเลยเออก็นี่ผลมาตุมสุกสีดังทองเป็นเครื่องเล่นของลูกน้อยทั้งสอง ชไหนจึงมาตกกลิ้งอยู่ที่นี้วันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยก็ทันทั้งสองของแม่นี้เต็มไปด้วยน้ำนมและอุระประเทศของแม่ดังหนึ่งว่าจะแตกทำลายวันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสอง คือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยใครเล่าจะค้นชายพกแม่ใครเล่าจะเหนียวทันทั้งสองของแม่วันนี้แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนอย่างเคยเวลาเย็นพระลูกน้อยทั้งสองขมุก ข, ขมอมไปด้วยฝุน่นเคยวิ่งมาเกาะที่ชายพกแม่ แม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองเมื่อก่อนอาสมนี้ปรากฏแก่เราดังว่านี้มหรสศพวันนี้เมื่อแม่ไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้นอาสมเหมือนดังจมุนเวียนนี่อย่างไรอาสมจึงปรากฏแก่เราดูเงียบสงดจริงหนาแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้อง พระลูกทั้งสองของแม่จากตายเสียแล้วเป็นแน่แท้นี่อย่างไรอาสมจึงปรากฏแก่เราดูเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงนกก็มิได้ขันขันพระลูกน้อยทั้งสองของแม่จากตายเสียแล้วเป็นแน่แท้